7. รายได้จากเงินโบนัสโบนัสรายเดือนของคุณในฐานะที่คุณเป็นผู้นําตัวแทนจําหน่ายคุณจะมีรายได้จากโบนัสนี้โดยจะมีการคํานวณแบบไหนก็จะขึ้นอยู่กับตําแหน่งของคุณและปริมาณของคนในองค์กรของคุณว่ามีมากน้อยแค่ไหน